กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกรอบกลัวกาวสตอร์ร์เอฟเอมร้อยหกข้าพเาพระมหาภัยบูญจากพิปุณโนจากวัดป่าดอนไหศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในฐานะที่เป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เตมุฟังกัปปเจ้าก็จะนําคําสอนของพระพุทธชานนทนั่นแหละที่กัปปเจ้าได้ฟังมาฟังนี่ก็หมายถึงได้อ่านมาจากในคัมภีร์พระไตรปิฎกบ้างคำอธิบายต่างๆที่ท่านได้บอกเล่าผ่านทางตัวอักษรเอาไว้อ่านมาฟังมาจากที่คนอื่นต่างๆได้อธิบายเอาไว้ก็นํามาบอกต่อเล่าต่อให้เตมุฟังได้ฟังกัน ซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะนําเรื่องที่เป็นพุทธพจน์บ้างเป็นพระสูตรบ้างเป็นคําอธิบายบ้างมาอธิบายกันโดยในคําอธิบายนั้นก็จะมีชั้นของคําอธิบายอยู่หลายชั้นด้วยกันซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าก็อธิบายคําที่ท่านได้ยกเป็นหัวเรื่องแห่งการเทศนาเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายคําของท่านเองก็มีเหมือนกัน หรือว่าท่านพระสารีบุตรท่านพระมหมาโมกลานะอธิบายคาถาถ้อยคําอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ภิกษุได้ยินคําเหล่านั้นแล้วเอาไปสอบถามตวนถามกับพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งท่านก็ยืนยันว่าเออถ้าเราจะอธิบายคํานั้นก็จะอธิบายเหมือนอย่างที่สารีบุตรหรือมหมาโมกลานะอธิบาย ยืนยันคําเหล่านั้นก็มีแต่ก็ไม่ใช่แค่ท่านพระสารีบุตรหรือพระมหาโมคละณนะที่ทาหน้าที่ในการอธิบายสิ่งที่เป็นปปพุทธพจน์ภิกษุรูปอื่นเช่นท่านพระมหากัจยนะท่านพระอานุนท่านพระกุมารกัสสะปะซึ่งท่านต่างๆเหล่านี้บางทีก็ยกอุปมาอุปไมยที่มีความละเอียดแตกฉานตามความเข้าใจของแต่ละท่านเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือ พระพุทธเจ้าอธิบายคําของพระกเราเองหรือสาวกในครั้งพุทธกาลอธิบายคําของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่สาวกในยุคต่อๆมามีการอธิบายคําของพระพุทธเจ้าทั้งเกิดเขียนเป็นตําราต่างๆเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ชนอัตถกถาหรือแม้แต่สาวกในยุคปัจจุบันที่ได้เขียนหนังสือต่างๆได้ได้ออกมาอธิบายพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็อธิบายคําของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลักการนี้ก็คือการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทลักษณะการที่กลับมาที่ตัวแม่บทนั้นจะทำให้การศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องคาสอนนั้นไม่หลุดออกจากวิถีในวิธีทางแห่งธรรมวิธีทางที่ท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างดีแล้วไม่หลุดออกจากตรงนี้ก็จะไม่มีความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าบอว่าเรามีความผิดพลาดในเรื่องของการทาความเข้าใจ ตามกระบวนการที่เป็นหลักของปาพจน์เป็นหลักของตัวแม่บทเนี่ยเราก็ปรับแก้ซะใหม่ทำความเข้าใจทำการศึกษาให้มันถูกต้องก็จะเป็นผลดีกับตัวของเราเองทำให้การเล่าเรียนนั้นไม่เป็นอันตรายต่อการที่เราจะละ ก, กิเลสแต่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้กิเลสในใจของเรานั้นใดเกิดแห้งลงน้อยลงไป ทุ น, นี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าสุธรรมะภิกษุรูปนี้ตอนรแรกๆก็ทำความผิดพลาดทำไม่ดีแล้วว่าง่ายๆนะในเรื่องของการที่มีมานะมีความริษยาแต่เพราะว่าอาศัยหมู่ของผู้ฟังคำสอนคือสงสาวกเนี่ยสงเนีย่ยแปลว่าหมู่นะท่านผู้ฟังนะสงเนีย่ยแปลว่าหมู่ สงสาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนสาวกคือผู้ที่ฟังคำสอนอาศัยสงสาวกอาศัยหมู่ในการที่จะปรับทิฏฐิให้ถูกต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกให้ถูกทําสิ่งที่ไม่ดีให้ดีแในสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมขั้นสูงในเรื่องราวนี้ประรับท่านพระสุธรรมะซึ่งท่านนั้นก็ได้เคยเป็นเจ้าอาวาส ในวัดที่จิตตะกรบดีได้ถวายเอาไว้เรื่องของจิตตะกรบดีนั้นก็มีความน่าสนใจอยู่ในหลายประเด็นเหมือนกันเราจะค่อยนามาเล่าให้ฟังในวาระต่อไปวันนี้จะให้ฟังเรื่องของท่านพระสุธรมเทระสกรักก่อนเรื่องพระสุธรรมเทระก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในมัชิกาสันตนครจบแล้วในกรุงสาวถี ความพิสดารว่าจิตตะกระบดีในมัชชิกาสันทนกรเห็นพระมานามเทระซึ่งจัดอยู่ในพวกพภิกษุปัญจวคีเที่ยวบินบาตอยู่เลื่อมใสในอริยบทของพระเทระแล้วจึงรับบาตนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนให้ฉันแล้วในการเสร็จพัฒกิจสดับธรรมกถา บรรลุโสดาปัติผลแล้วเป็นผู้มีสทธาไม่หวั่นไหวใกล้เพื่อจะทำอุทยานของตนอันชื่อว่าอัมปาต ก, กะวันให้เป็นสังฆารามจึงหลังน้ำลงไปในมือกองพระเตระมอบถวายแล้วในขณะนั้นมหาปัตปีก็หวั่นไหวจนถึงน้ำเป็นที่สุดโดยบอกเหตุว่า พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศรษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานได้เปิดไว้แล้วเพื่อพวกพิสุผู้มาจากที่ตั้งปวงแล้วพระสุธรรมเทระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชฉิกาสันตอนเครบดีบรลุอนาคามิผลโดยสมัยอื่นอีกพระ อักราสาวกทั้งสองรดับกาถาพันธนาคุณของจิตตะเครือบดีแล้วใครจะทำความสงเคราะห์แก่เครืบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชชิกาสันทะนะก่อนจิตตะเครืบดีทราบการมาของพระอักราสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยธ พาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นมาแล้วนิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตนทำอาคันตุกะวัดแล้วอ่อนบอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญกระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อยกระนั้นพระเถระกล่าวกบกลบาวว่าบาโกอารมภาพทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยแล้วโดยทางไกลอันหนึ่ง ท่านจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิดดังนี้แล้วพระเทระก็กล่าวธรรมคตาแก่เขากระเบดีนั้นฟังธรรมคตาของพระเทระอยู่แลบรเลุอนาคามิผลแล้วก็ไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์ว่าท่านผู้เริญพรุ่งนี้ขอท่านทั้งสองกับภิกษุพันรูป รับภิกษุที่เรือนของกระผมดังนี้แล้วก็นิมนต์พระสุธรรมเทร ะ, จะเจ้าอาวาดภายหลังว่าท่านขอรับพรุ่งนี้แม้ท่านก็พึงมากับพระเทระทั้งหลายตอนพระสุธรรมเทระดาเกรอบดีพระสุธรรมเทระนั้นโกรธว่าอุบาสกนี้นิมนต์เราภายหลัง จึงห้ามเสียแม้กระบดีอ้อนบอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นแหละกุบาศกจิตตะขระบดีจึงกล่าวว่าท่านจะปรากฏกรับแล้วเขาก็หลีกไปกุบาศกนั้นในวันรุ่งขึ้นจะแจ้งทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตนในเวลาใกล้รุ่งแลแม้พระสุธรรมเทระคิดว่า ข้าบดีจัดแจงสักการะเช่นไหรหนอแลเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองพรุ่งนี้เราจะไปดูพระสุธรรมเทระก็ได้ถือบาทและจีวรไปสู่เรือนของกราบดีนั้นแต่เช้าตรู่พระสุธรรมเทระนั้นแม้อันกราบดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิด็รับเธอก็กล่าวว่าเราไม่นั่ง เราจะเที่ยวบินธบาติพระสุธรมเจรัก็ตรวจดูสัการะอันเคราะบดีเตรียมไว้เพื่อพระหัครสาวกทั้งสองใครจะเสียสีเคราะหบดีโดยชาติจึงกล่าวว่ากระบดีสาการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นกคระบดีอะไรหรือครับพระเตระ ต่ว่าขนมแดกงากระบดีพระเทรานั้นถูกกระบดีผู้นั้นรุกรานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาเธอจึงโกรธแล้วกล่าวว่ากระบดีนั่นอาวาดของท่านเราจะหลีกไปละแม้อันกระบดีห้ามถึงสามครั้งพระสุธรรมเทระก็หลีกไปสู่สำนักของพระาศาสดา ปราบทูนคำที่จิตตะกระบดีและตนกล่าวแล้วตอนพระสุธรรมเตระถูกสงลงปฏิสารนียธรรมพระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีสตาเลื่อมใสอันเธอด่าด้วยคำเลวดังนี้แล้วทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเตระนั้นนั่นแหล แล้วรับสั่งให้สงลงปฏิสารนิยธรรมคือกรรมอันให้ระลึกถึงความผิดและไปขอโทษกระดัดจึงส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตะเครืบดีอดโทษเสียพระเถระจึงไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าเครืบดีนั่นโทษของอาตมาเท่านั้นท่านจงอดโทษแก่อาตมาภาพเติร์ด พระเทระถูกกระาบดีนั้นห้ามด้วยคำว่าผมไม่อดโทษพระเทระนั้นก็เป็นผู้เกอ้อไม่อาจให้กระาบดีนั้นอดโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระาศาสดาอีกครั้งพระาศาสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่อดโทษแก่พระสุธรรมนั้นจึงทรงดำริว่า ภิกษุนี้กระด้างพระมานะจงไปสู่ทางสามโยชนแล้วกลับมาจึงไม่ทรงบอกอูบายให้อดโทษเลยทรงส่งไปแล้วตอนสมณะไม่ควรทำมานะและริสยาครั้นในการที่ระกสูทธรรมเทระนั้นกลับมาพระศาสดาประธานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอ ผู้นำมานะออกแล้วตรัสว่าเธอจงไปเติดไปกับภิกสุตนี้จงให้อุบาสกหดโทษดังนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าธรรมดาสมณนะไม่ควรทำมานะหรือริสยาว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะทำอย่างนั้น เหล่ากิเลสมีริษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงแสดงตามสืบ อ, อนุสนทิจึงตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าภิกษุผู้ผ่านพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชุนเหล่าอิน ความดมริยอมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผา น, นั้นว่าเครือหัาและบัะชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเราทำสำเร็จแล้วพระอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นหิดไรไม่ว่าน้อยหรือใหญ่อย่างนี้แล้วฤษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอบาลีว่าอสันตัง อาวะมิเยะปุเร ข, ขารันจะภิกขุสุอาวาเสสุจะอิสเรียงปูชาปารั ก, กุเลสุจะมะเนวะกะตะมันยันตุคิหีปปะพชิตาอุโพมะเมวะอติวาสาอสุกิจจากิจเจสุกิจมิจิ อิติภาละสะสังกปโปอิสามาโนจะวัตตัดดังนี้ในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นเนืงนี้แหละตอนพระสุธรรมเทระบรลุพระอรหันตแม้พระสุธรรมเทระฟังพระโอวาทนี้แล้ว ถวายบังคมพระาศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำพระทักษิณแล้วไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้นกระทำคืนอาบัตในคลองจักสุขของอุบาสกยังอุบาสกให้อดโทษแล้วพระสุธรรมเทระนั้นอันอุบาสก ข, ข, ขอให้อดโทษ ด, ด้วยคำว่ากระผมอดโทษครับ ถ้าโทษของกระผมมีขอท่านอดโทษแก่กระผมด้วยดหนงนี้แล้วพระเถระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระาศาสดาประทันแล้วโดยสองถึงสหมันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วตอนจิตกระบดีไปเฝ้าพระาศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่า เรายังไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปฏิปลแล้วยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกันเมื่อนำรงอยู่ในอนาคามิผลเรากวรเฝ้าพระาศาสดาโดยแท้เกิดไปดีนั้นก็ให้คนเทียมเกวียนห้าร้อยเล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้น แล้วให้บอกแก่หมู่ภิกษุว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่าใดประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงไปจะไม่ลำบากด้วยบินบาตเป็นต้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุนีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณ500รูปภิกษุนีประมาณ500รูป อุบาสกประมาณ500อุบาสิการประมาณ500ออกไปกับคระบดีนั้นเขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องสักน้อยหนึ่งด้วยข้าวยากูและพัดเป็นต้นในหนทาง30โยต์เพื่อชนสามปันคนคือเพื่อภิกษุปเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละและเพื่อบริษัทของตน ายพวกเทวดาทราบความที่อยู่บาสกนั้นออกไปแล้วปลูกข้ายที่พักไว้ทุกทุกยอดบำรุงมหาชนนั้นด้วยอาหารวัตถุมีข้าวอยากกูของขวนเคี้ยวพัดและน้ำดื่มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ความบกปร่องด้วยวัตถุอะไรอะไรไมิได้มีแล้วแก่ไกล ใ, ใมหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บำรุงอยู่อย่างนั้นเดินทางได้วันละโยต์วันละโยต์โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถีเกวียนทั้งห้ารอยเล่มยังเต็มบริบูรณ์อยู่เช่นเดิมนั่นแหละกระบดีได้สละบรรณาการให้พวกเทวดานั่นแลและมนุษย์ทั้งหลายนำมาไปแล้วตอนเกิดมีปฏิหาร พระศาสดาตรัสกับพระอนุเตรว่าอานุในเวลาบ่ายวันนี้จิตตะกระบดีอนุบาศก 500, ห้าร้อย้อมล้อมแล้วจะมาไหว้เราพระอนุค้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในการที่จิตตะกระบดีนั้นถวายบังคมพระองค์ปาฏิหาริย์ไร่จะมีหรือพระชจ่าพระศาสดา ข้อนั้นจะมีอานนท่านพระอานนปาฏิหาริย์อะไรพระช้าค่พระศาสดาก็ในการที่จิตตะเรืบดีนั้นมาไหว้เราฝนลูกเห็บแห่งดอกไม้ทิ่มีสีห้าสีจะตกโดยท่องแถวประมาณเพียงเข่าในสถานที่ประมาณ8กรีดโดยวิธีนับอย่างของหลวง เมื่อชาวเมืองได้ฟังข่าวนั้นแล้วจึงคิดว่าได้ยินว่าจิตตะกรบดีผู้มีบุญมากอย่างนั้นจะมาถวายบังคมพระาศาสดานในวันนี้เขาว่าปฏิหารเห็นปานนี้จะมีแม้พวกเราจะได้เห็นผู้มีบุญมากนั้นันนี้แล้วก็ได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทาง ในการที่จิตากระบดีมาใกล้วิหารพิกูุ5 0หรรูปมาถึงก่อนจิตากระบดีกล่าวกับพวกอุบาสิกาว่าแม่ทั้งหลายพวกท่านจงมาข้างหลังส่วนต น, นอุบาสกห้ารแวดล้อมแล้วได้ไปสู่สำนักของพระสัส ด, สดาก็ชนทั้งหลายผู้ยืนก็ดี นั่งก็ดีในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีข้างนี้หรือข้างหนนย่อมยืนอยู่แน่นขนาดเดียวในสองข้างแห่งพุทธวิถีจิตาคดบดีก้าวลงสู่พุทธวิถีใหญ่แล้วที่อันปรอริยาสาวกผู้บรรลุผลสามแลดูแลดูวันไหวแล้ว มหาชนแลดูด้วยคิดว่าเขาว่าคนนั้นคือจิตตะกตาบดีกตาบดีนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีมีพันนาหกจะบพระบาทของพระศาสดาที่ข้อบพระบาททั้งสองถวายบังคมแล้วในขณะนั้นเองฝนดอกไม้ มีประการดังกล่าวมาได้ตกลงแล้วสาธุการปันหนึ่งได้เป็นไปแล้วตอนจิตตะกระบดีถบายฐานกระบดีนั้นอยู่ในสำนักพระาศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแลได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งสิ้นให้นั่งในวิหารนั่นแหละ ถวายทานใหญ่แล้วทำภิกษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารนั่นแหละบำรุงแล้วไม่ต้องหยิบอะไรอะไรในเกวียนของตนแม้สักวันหนึ่งได้ทำกิจทุกอย่างด้วยบรรณาการนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นจิตาก็ได้บิดีนั้นถวายบังคมพระาศาสดาแล้ว กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มาด้วยตั้งใจว่าจะถวายทานแด่พระองค์ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งของข้าพระองค์ล่วงไปแล้วในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรอะไรที่ข้าพระองค์นำมาเลยได้ถวายทานสิ้นการเท่านี้ด้วยบรรณัการที่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายนำมาเท่านั้นแม้ถ้าข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในที่นี้สิ้นปีหนึ่งก็จะไม่ได้เพื่อจะถวายตยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ข้าพระองค์ปรารถนาจะถ่ายเวียนแล้วไปขอพระองค์จงโปรดให้บอกที่สำหรับเก็บแก่ข้าพ ร, ระองค์เถิดพระศาสดาจึงตรัสกับท่านพระนนเตระว่า อานุนเธอจงให้จัดที่แห่งหนึ่งให้ว่างให้แก่อุบาสกเิดพระเตราได้กระทำอย่างนั้นแล้วได้ยินว่าพระศาสดาทรงอนุญาตกับปิยภูมิแกจิตตะกระบดีแล้วตอนจิตตะกระบดีเดินทางกลับฝ่ายอุบาสกกับชนสามพัน ซึ่งมาพร้อมกับตนเดินทางกลับด้วยกเกวียนเปล่าแล้วพวกเทวดาและมนุษย์ลุกขึ้นแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านทำกรรมคือการเดินไปด้วยกเกวียนเปล่าหนงนี้แล้วก็บรรจุกเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจ็ดประการกษัตรบดีนั้นได้บำรุงมหาชนด้วยบรรณาการ อันเขานำมาเพื่อตนไปแล้วพระอนุนเตระถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าขค่แต่พระองค์ผู้เจริญจิตตะกระบดีแม้เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์มาแล้วโดยเดือนหนึ่งอยู่ในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกันได้ถวายทานด้วยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำมาเท่านั้น ขึ้นการเท่านี้ได้ยินว่าบัดนี้กัตถบดีนั้นทําเกวียนห้าร้อยเล่มให้เปล่าจะไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกันก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วเปล่าวแกกัตถบดีนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านทํากรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่าดัางนี้แล้วก็บรรจุกเกวียนให้เต็มด้วยรัตนเจตประการ ได้ยินว่ากราบดีบำรุงมหาชนด้วยเครื่องบรรณาการหันเทวดาและมนุษย์นำมาเพื่อตอนนั่นแหละจะกลับไปพระเจ้า้าก็สาการะนี้เกิดขึ้นแก่กราบดีนั่นผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนอย่างนั้นพระศาสดาตรัสว่าอา น, อนุน สิตะกระบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปนะที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทังนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีสธามีความเลื่อมใสมีศีลสมบูรณ์อุบาสกผู้เห็นป่านนี้ย่อมครบหรือไปประเทศใดๆลาบสักการะย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้นๆทีเดียว ดั น, น, นี้แล้วก็ได้ตรัสพระกาถาในปกินนาการวัคนี้ว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภกะย่อมคบคือไปในประเทศใดๆประเทศนั้นย่อมเป็นผู้อันเกาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆที่เดียวก็เนื้อความแห่งพระกถานั้น จากแจมแจ้งในปกิณกะวักนั่นแหละตอนบุรพกรรมของจิตตะกบดีเมื่อพระาศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้วพระอนุเทระจึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตะกบดีลําดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตรัสแก่พระอานุเทระจึงตรัสว่าอนน์ จิตตเครบดีนี้มีอภิเิหันอันทำไว้แทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปะทุมุตะตะท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ิ้่แสนกับในการแห่งพระพุทธเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะเกิดในสกุลของปราดเนื้อถึงความเจริญแล้วไม่วันหนึ่ง เมื่อฝนตกอยู่ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อต้องการจะลาดเนื้อตรวจ ด, ดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะที่เงื้อมที่เกิดเองแห่งหนึ่งจึงมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ารูปเดียวจะนั่งทำสมณธรรมเราจะนำอาหารมาเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนั่นนีแล้ว จึงรีบไปสู่เรือนให้คนปิ้งเนื้อที่ตนนำมาเมื่อวานที่เตาแห่งหนึ่งให้หุงข้าวที่เตาอีกแห่งหนึ่งเห็นภิกษุเที่ยวบินาบาตพวกอื่นเขาจึงรับบาศของภิกษุแม่หล่านั้นนิมนต์ให้นั่งเนื้ออาสนะที่จัดแจงไว้ตราเตรียมพิกษาแล้วสั่งคนอื่นว่าพวกท่านจงอังคาต คือประเกณอาหารแกพระผู้เป็นชา้าทั้งหลายดังนนี้แล้วก็ใส่พัดนั้นลงในตะกรา้าถือเดินไปเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆในระหว่างทางห่อด้วยใบยไม้ไปสู่ที่พระเถระนั้นนั่งแล้วแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงทำความสงเคราะห์แกกระผมเถิดนัน่นนีแล้ว นายพรานั้นรับบาททําให้เต็มด้วยพัดแล้ววางไว้ในมือของพระเทระกระทําการบูชาด้วยดอกไม้เหล่านั้นตั้งความปรารถนาว่าบินบาตอันมีรถนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชาทําจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการพันหนึ่งจงมาทําจิตของข้าพเจ้า ให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดแล้วฉะนั้นและขอฝนดอกไม้มีสีห้าสีจงตกลงหลังนี้เขาบำเป็นกุศลจนตลอดชีพแล้วเกิดในเทวโลกฝนดอกไม้ทิบตกแล้วโดยถ่องแถวประมาณเพียงเขา่าในที่ที่เขาเกิดแล้ว แม้ในการนี้ฝนดอกไม้ทิพก็ตกในที่ที่เขาเกิดแล้วและเมื่อเขามาในที่นี้การนำบรรณาการมาและการที่เกวียนเต็มด้วยรัตนเจประการก็เป็นผลแห่งกรรมนั้นแหละเรื่องพระสุธรรมเถระจบสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องของท่านพระสุธรร ม, มะก็คือว่า ตรงไหนเนี่ยก็แก้เือนตรงนั้นล่ะเราอย่าไปเห็นความผิดแล้วก็จมปลักอยู่ในความผิดยึดถือในทิฏฐิของตัวเองเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนัมันคือเป็นลักษณะของมานะเป็นความยึดถือเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุดได้คือบางทีแม้แต่พระอรหันต์เองก็ตามนะบางครั้งบางทีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีความผิดพลาดในเรื่องของทางโลกบ้างอันนี้ก็มีก็แก้ไขกันไปแต่พระอรหันต์เป็นอาบัตในบางกรณีก็มีที่พระพุทธเจ้าได้เคยชีย้โทษให้ผิดแล้วก็แก้ไขอันนี้คือลักษณะของทางคําสอนท่านผู้ฟังคอยตักเตือนกันไม่เป็นบัณฑิตลืมตัวผู้ที่รับฟังคําตักเตือนนั่นก็รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น แก้ไขแล้วตั้งสติปรับทิฏฐิขึ้นมาใหม่ก็สามารถที่จะดีขึ้นมาได้บุคคลที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่จะไมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในธรรมมาไวในนี้ได้ตัวอย่างของเรื่องพระสุร ธ, ธรรมานี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งผัวฟังคนเรามันก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละกรรมใดที่เราได้ทาผิดพลาดไปแล้ว เราก็แก้ไขปรับให้มันดีอย่าไปจมปลักอยู่ในกรรมที่ไม่ดีนั้นเรื่องราวของจิตตะเครบดีได้ทําความดีใดมาก็ได้ผลเป็นความสุขที่ท่านจะได้รับอันนี้ก็เป็นกรรมดีที่ได้ทามาเพราะฉะนั้นเราทํากรรมไม่ดีใดมาก็แก้ไขให้มันดีซะอย่าไปจมปลักอยู่ในกรรมนั้นเราทํากรรมดีใดไว้สินั้นก็จะต้องออกผลให้ผลในชีวิตของเรา ไม่ตอนนี้ก็ตอนใดสักตอนหนึ่งละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนแต่ถ้าผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่ารบษสียบัรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1 ห, หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 รูวแบบาสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ puretama.com p u e d h a m m a c o m กับเจ้าพระมหาไพบูญนาพี่ปุณโนเสริมพร